4. ตัวตวัตวัตรหมวดว่าด้วยการนอนร่วมกันสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการนอนบนเตียงเดียวกันเรื่องพิกษณีนอนร่วมกันสองรูป932สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเจตาวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิษุณีสองรูปนอนบนเตียงเดียวกัน คนทั้งหลายเที่ยวจาริกไปตามมิหารเห็นแล้วจึงตําหนิประนามโพนทนาว่าฉนัยภิกษุณีสองรูปจึงนอนบนเตียงเดียวกันเหมือนหญิงคฤือหัดผู้บริโภคการเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตนําหนิประนามพนท น, นาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามพนทนาว่าฉนัยภิกษุณีสองรูปจึงนอนเตียงเดียวกันเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้น ได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไ ป, ปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ